บทภาชณีต <han> ิกาปาจิตต <univers> ีห้ิบส <uses S 2> <mut asy indifferent> ีไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุสําคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาฏิเทศนิยะไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุไม่แน่ใจไม่เป็นไข้รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองในอารามเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาฏิเทศนิยะไม่ได้รับแจ้งไว้ภิกษุสําคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ไม่เป็นไข้ รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตอนเองในอารามเคี้วหรือฉันต้องอบัตตปาฏิเทศนิยะทุกกฎภิกษุรับประเคนยามากาลิกสัตตาหากาลิกยาวชีวิภกเพื่อเป็นอาหารต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำกลืนได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุสําคัญว่าไม่ได้รับแจ้งไว้ต้องอบัตทุกกฎได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎ ได้รับแจ้งไว้แล้วภิกษุสำคัญว่าได้รับแจ้งไว้ไม่ต้องอบัต